จเจริญธรรมม่ทีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านก็อาตมาก็ไปเดินธรรมยาตามาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของธรรมยาตาิซึ่งก็หลังจากทางนั้นเขาฉันพระาหารเช้าเสร็จก็ต่างคนต่างก็อยกย้ายกันเดินทางกลับนะ <c oughs> ก็ไปได้ประโยชน์อยู่หลายประการเหมือนกันในการไปทำญาติตานะวันแรกก็เดินจากน้ำตกดาดตน้นะไปที่ภูสองชั้น <c oughs> ระยะทางก็ประมาณสิบกิโลนะก็เป็นทางทางในปา่านะเป็น <c oughs> เป็นถนนดูในปา่าเนะี่ยเดินเข้าไปก็มีบรรยากาศที่งดงามนะมีป่ามีเขา อบางแห่งก็มี <c oughs> ลําธารเล็กๆก็เดินกันไป <c oughs> แล้วก็เป็นทางขึ้นขึ้นลงๆนะแล้วก็มีข้ามภูเขาด้วยภูเขาก็สูงชันเพิ่มขึ้นนะก็เดินข้ามไปรับ <c oughs> ประทานอาหารก็ต่างคนต่างรับประทานในป่ากันนะรับ <c oughs> ประทานเสร็จก็เดินกันต่อ <c oughs> เมกววันนั้นก็เดินกันทั้งวันเลยเพราะว่าไม่ได้พัดเนี่ยพอรับประทานเสร็จก็เดินต่อกันเลยเนี่ยก็เดินกัน <c oughs> จนไปถึงวัดภูสองชั้นนะก็คือวัดอรุณทำมวาลารามนะซึ่งเป็นสาขาของวัดอรุณที่กรุงเทพนะโอ้สร้างสวยงามมากเนาะมีเจดีนะกําลังสร้างอยู่ก็ใกล้จะสําเร็จแล้ะละอยู่บนภูเขาสูงก็สวยงามมากนะ <c oughs> มีสถานที่ก็นะับว่า สวยงามทีเดียวนะมันก็รีสอร์ทสวยกว่า บ, บ้านเราอีกสถานที่สวยกว่านะอยู่บนภูเขามองเห็นชัดเลยนะวิวรอบๆบเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นอ่าเขื่อนลำบะทาวเห็นหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ข้างล่างเนะี่ยเห็นภูเขารอบๆเพราะว่าบนนั้นเป็นภูเขาสูงวิวสวยมากดูทัศนียภาพได้รอบๆเลยดยูบนเจดีนั่นแหละสวยมาก <c oughs> แล้วก็อตอนเย็นก็ไปทําวัดเย็นที่ อาบเวณเจดี JD, นะมันมีจะมีวิหารลายรอบๆนั่นแหละรอบๆเจดี JD, เลยก็ไปทําวัดกันนะทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็มีปฏิบัติธรรมสิบนาทีนะั้แล้วพระอาจารย์สารก็เทศนิฟัง <c oughs> พอล้างยานเทนิฟังแล้วก็มีเปิดอา่าเปิดเป็นอา่าหนังที่เขาถ่ายไว้ที่ช่วงกลางวันที่เดินกันนะั่นแหละว่าใครเออเป็นอย่างไรมีกิริยาการอย่างไร หรือกําลังทําอะไรอยู่กำลังเดินเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวให้ดูนะแล้วก็หลังนั้นก็มีการพูดถึงกิจกรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างจะต้องทําอย่างไรบ้างนะแล้วก็มีสิ่งต่างๆเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยนะแล้วก็นอนพักผ่อนไม่เกินสามทุ่มพอตอนเช้าก็อ ตอนเช้าก็เาคาะระฆังก็ประมาณตีสี่กว่าแต่ส่วนมากก็จะตื่นกันก่อนแล้วล่ะแล้วก็ทําวัดเช้าก็ตนะีห้าทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็มีปฏิบัติธรรม10นาทีแล้วก็อาจารย์ไปสายกเทศนะหลังนั้นก็มีการกล่าวถึงว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเสร็จ <c> แ <oughs> ล้วก็พักผ่อนกันนะหลังนั้นก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะก็เตรียมตัวฉันพระาหาร แล้วก็ญาติโยมก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เดินทางต่อประมาณ9ก้าโมงเช้าเดินทางต่อนะหลังนั้นเดินทางไปเรื่อยๆถึงตอนตอนเพลนะประมาณตอนเพลนก็ไปที่วัดแห่งหนึ่งไปพักอะแล้วก็ฉาดประธานญาติโยมก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ประมาณบ่ายหนึ่งผมก็เดินทางต่อนะจนทัางถึงตอนเย็นนะก็ถึงวัดใดวัดหนึ่งก็ไปพักกันก็เป็นแบบนี้กิจกรรมก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะ ก็แล้วแต่วัดบางวัดก็จะมีความสะดวกนะเพราะจะมีห้องน้ำเยอะหน่อยนะหรือจะมีที่พักสะดวกแต่บางวัดก็ห้องน้ำก็มีน้อยมากบางทีญาติโยมไปกันหลายร้อยในห้องน้ำมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะสองสามห้องห้าหกห้อ ง, อ, ง, อ, งอะไรเนี่ยเป็นอย่างมากนะก็ <c oughs> ก็คงจะไม่สะดวกพอมควรนะก็ต้องไปอาศัยบ้านญาติโยมเนี่ยเป็นที่ใช้ห้องน้าของเขา <c oughs> แต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้นะ <c oughs> ผ่านมาได้อยู่อืม <c oughs> สิ่งสิ่งที่ได้มันก็มีหลายๆอย่างนะก็คืออาจจะได้ความอดทนนะความอดทนในการที่จะต้อง <c oughs> เจอกับความไม่สะดวกไม่สบายหลายๆอย่างเนี่ยนับตั้งแต่การเดินทางนะในวันแรกนี่เดินไกลมากนะโอ้เหนื่อยบางคนนี่เหนื่อยนะเหนื่อยถึงขนาดได้ขาวบางคนนี่พอเจอวันแรกวุ้มหนีกลับก็มี <c oughs> มีคนเมื่อมาบอกให้ฟังแล้ววันแรกนี่หนีกลับแล้วเนี่ยเพราะว่าลําบากมากแต่พอผ่านวันแรกไปแล้ววันหนึ่งก็สบายนะเหมือนกับเราได้เจอกับความทุกข์มาเต็มที่แล้วล่ะพอวันต่อไปมันก็สบายขึ้นนะความไม่สะดวกต่างๆมันมีเยอะในห้องน้ําก็รอคิวกันยาวเหยียดญาติโยมก็รอคิวกันยาวเหยียดเป็นผู้หญิงก็ลําบากนะเข้าห้องน้ำเนี่ยใช่ไหม แต่ผู้ชายนี่ก็กสะดวกหน่อยเออตามอะไรเงี้ยมีทุ่งมีอะไรก็สะดวกขึ้นผู้ชายก็สะดวกขึ้นเยอะนะครแต่ก็ต้องรอคิวเหมือนกันมาห้องน้ำํำมีน้อยบางแห่งนี่มีห้องน้ําแต่น้ําไหลที่ระยดที่ระยดก็มเออีเพราะว่าเขาก็อย่างว่านะั่นแหละเขาก็อาจจะมีหลายๆหลายอย่างที่ไม่สะดวกเหมือนกันนะคราวนี้การ <c oughs> การเดินเนี่ยนะพระอาจารย์สายเข บ, บอกว่าให้เดินให้มีสติทุกทุกอย่างก้าวนะเ อ, อ่ จุดหมายปลายทางไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปลายเท้าของเรานะให้อยู่กับปัจจุบันทุกๆขณะเวลาเดินก็ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ ก, กับปัจจุบันในขณะที่เราก้าวแต่ละก้าวนะในขณะที่เท้าทบพื้นแต่ละก้าวเนี่ย อ, อยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงว่าไม่จะถึงเมื่อไหร่นะ <c oughs> หรือไปแล้วจะมีความสะดวกสบายมากน้อยเพียงใดไปแล้วเนี่ยจะได้พักตรงไหน ห้องน้าจัดสะดวกไหมอ่าแล้วเมื่อไรจะถึงทั้งทีนึงอ่อีกกี่กิโลจะถึงอ่แล้วก็อีกกี่วันไหนถึงจะเลิกเนี่ยถ้าบอกว่าให้ตัดความคิดไปเลยนะเพราะไปคิดอย่างนั้นอ่ะมันจะไกลนะมันจะเหนื่อยมันจะไกลเออเมื่อไรจะถึงทักทีนาะก็คือไปอยู่กับอนาคตนั่นเองนะอีกกี่วันจะถึงไออีกกี่วันอีกกี่วันจะจบเนี่ยมันก็เมื่อถูกขังคุกอ่มันก็นักโทษรอเออเมื่อไหร่จะได้ออกจากคุกทั้ทีนึงเนี่ยมันก็มีความทุกข์แบบนั้นนั่นแหละ แต่พออยู่กับปัจจุบันแล้วออมันก็ง่ายขึ้นนะ <c oughs> เดินเนะี่ยอยู่กับปัจจุบันนะการอยู่ปัจจุบันที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ดีมากนะมันก็ที่เมื่อกี้เราสวดมนต์บทพัทเทกรัตตานะปัจจุบันนันจะโยธรรงตัทธาตัทาวิปัสสติอาสังหีลังอาสังกุปังตังมิธามนุปรุเยธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นให้ให้ทําให้เกิดขึ้นให้มากๆนะให้พรอบคุณอาการเช่นนั้นไว้ เพราะว่าการที่ทําที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็คือความเป็นปัจจุบันนั่นเองนะให้พอกพูนาการเช่นนั้นไว้ก็คือให้ทําให้มากๆนั่นเองนะเนี่ยพอเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราพอกพูนหรือทําให้เจริญให้มากๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าจิตเราก็ไม่ได้ส่งออกไปในเดีตและอนาคตนะเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะอย่างอย่างที่ประสบกับตัวเองก็ เ, เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็เดินไปแบายสบาย มันก็จะอยู่กับปัจจุบันบ้างหรือไม่อยู่กับปัจจุบันบ้างนะแต่มันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เหนื่อยแม้แต่วันแรกมันก็ไม่ถึงกับเหนื่อยมากนะยิ่งวันเราต่อมากมันก็ไม่เหนื่อยเพราะถึงที่พักอถึงที่หยุดถึงถึงที่บัสที่เราจะไปพักเนี่ยรู้สึกเอ้ยมันทําไมถึงเร็วมันอยากจะเดินต่อแต่ว่ามันเร็วมันรู้สึกมันมันมันเดินยังไม่เหนื่อยเลยนะแต่ถ้าเราไปคิดเยอะมันก็เหนื่อยนะ แต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรแล้ว เ, เดินอยู่ปัจจุบันมันก็ไม่เหนื่อยเอ้ยทำไมถึงเร็วแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเดินต่อสักหน่อยหรือชั่วโมงนี่ก็ยังดีอะไรทานองเนี้ยเนี่ยเป็นความคิดแบบนี้ทันทุกครั้งเลที่ไปถึงวัดที่จะไปพักนะเพราะมันยังอยากจะเดินอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องคิดแล้วมันก็เหนื่อยเพราะความคิดมันทํำให้เราเหนื่อยนะอันนี้อันนี้นะก็มีมีหมอท่้นก็นพูดเอาไว้บอกว่าความคิดเนี่ย มันสูญเสียพลังงานเยอะนะที่เราต้องมันมีความเหน็ดเหนื่อยหรือต้องทานอาหารเยอะๆนั่นก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะความคิดเนี่ยมันสูญเสียพลังงานเยอะนะใ น, นหมอก็พูดนะอย่างเช่นนักบริหารทั้งหลายเนี่ยนักบริหารี่ความจริงทํางานใช้กําลังงานเนี่ยน้อยกว่าพนัก ง, งานในบริษัท ต, ต, ตัวเองซะอีกแต่ก็เหนื่อยมากนะเหนื่อยเน็ดเหนื่อยแล้วก็สูญเสียพลังงานเยอะเพราะว่าใช้ความคิดเยอะนั่นเองนะ เพราะนั้นถ้าผู้ใด <c oughs> ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยู่กับปัจจุบันไปนี่แหละอยู่กับตัวรู้ของเราไปรู้อะไรก็ได้นะรู้ก็คือรู้ในการเคลื่อนไหวนั่นเองนะซึ่งมันง่ายๆนั่นเองนะพอเรารู้การเคลื่อนไหวปั๊บมันก็ไม่คิดเองนะกลับมารู้เฉยๆมันก็ไม่คิดอะไรนะไม่คิดเป็นอดีตไม่คิดเป็นอนาคตเนะี่ย ถ้าเรารู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวนะอย่างเช่นถ้าเราตอนนี้ใครยานั่งยกมือ14บส่จังหวะก็ได้เนี่ยเราก็รู้ไปนะรู้การเคลื่อนไหวรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งนะไม่ต้องไปรู้ยาวนะหลวงพ่เทียมบอกว่าให้รู้ต่อเนื่ไปลูกโซ่เนี่ยคำว่ารู้ต่อเนื่ลูกโซ่นี่ไม่ใช่ว่าเรารู้ยาวๆนะรู้ยาวๆรู้แบบรู้ทีเดียวยาวเหยียดเลยอันนั้นเป็นการไปเพ่งเอาไว้เนี่ย รู้ยาวๆทําให้จิตมันทื่อนะไม่ให้รู้เป็นลูกโซ่เพราะว่าการรู้ยาวนี่ก็คือเราตั้งใจรู้ยาวนั่นเองนะมันจะเป็นการไปเพ่งเอาไว้มันเป็นการไปประคองจิตทําให้จิตมันทื่อแล้วมันก็แข็งด้วยนะแล้วมันก็เรียกว่ามันกลายเป็นสมถะไปนะแต่การรู้รู้สั้นๆเท่านั้นเองลูกโซ่ก็เป็นลูกโซ่แต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นข้อๆมันมันสั้นๆมันรู้แล้วก็ทิ้งรู้แล้วก็ทิ้งมันไม่ได้ไปประคองไว้ ก็คือรู้แล้วก็หลงได้นะรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงหลงแล้วกลับมารู้ใหม่นะเพราะจิตคนเราตามธรรมชาติของจิตก็คือมันมันรู้แล้วมันก็หลงเขามันอยู่แล้วนะจิตคนเราที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วมันจะรู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงแต่ปุถุชนเนี่ยจะหลงยาวนะรู้แล้วก็หลงยาวไปเลยเนี่ยหลงยาวหลงยาวกว่ารู้เนี่ยวิธีการหลงมาเทียนก็คือให้ให้หลงสั้นๆไม่ได้หลงยาวนะมันรู้แล้วมันก็หลงไปเนี่ย แล้วจากมันหลงก็กลับมารู้ใหม่เนี่ยให้มันหลงขั้นสั้นเท่านั้นเองนะครั้นี้จากที่มันหลงแล้วกลับมาลูใหม่ในจิมยาตื่นในช่วงนี้นะมันจะตื่นแต่มันก็หลับต่ออีกนะอครั้เนี้หลวงพ่เทียนก็ยังพูดบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้เนะี่ยคำว่าคิดก็คือหลงนั่นเองเพราะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือยิ่งหลงก็ยิ่งรู้เนะี่ยเพราะหลวงพเทียนวิธีหลวงพ่เทียไม่ได้ให้รู้ยาวๆนะไม่ได้ให้เออต้องไปอ่า มือนกับเป็นสมถะให้รู้ระยะยาวๆหรือไปประคองเอาไว้นะเหมือนก็บางวิธีก็ให้รู้ยาวๆทําให้ใช้ช้าใช้คําอวยกรรมช่วยนั่นคือรู้ยาวๆแต่วิธีหลวงพ่อเทียนก็คือรู้สั้นๆรู้แล้วมันก็หลงแล้วก็กลับมารู้ใหมนะ่เลยทำให้จิตมันตื่นเร็วนะจิตมันตื่นเร็วขึ้น <c oughs> เพราะว่ายิ่งเรารู้เยอะเนี่ยจิตมันจะยิ่งเขาเรียกว่ามีสติมากขึ้นเพราะมันเป็นการระลึกได้เออเราหลงไปแล้วนะกลับมารู้ใหม่นะีหลงแล้วกลับมารู้ใหม่เนี่ยคือความถี่ ความทีของตัวรู้มันจะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งความถี่มีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยรู้แล้วหลงรู้แล้วหลงเนี่ยมันถีมากนะสติไม่ก็ยิ่งจะโตเร็วนะโตเร็วขึ้นเรื่อยๆนะพรอสติมันโตเร็วแล้วมันจะรู้ไวนะพอมันหลงปั๊บมันจะรู้เลยนะคือเรียกว่าเป็นการทําให้จิตเนี่ยมันมีสติโดยที่มันอัตโนมัติมากขึ้นคือสติโดยตัวมันเองนะหรือสติตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับ ให้มันจะต้องมีสตินะหรือให้มันไม่ต้องหลงนะถ้าไปบังคับมันมันก็ไม่ไม่ใช่ของจริงนะเหมือนกับเราเลี้ยงลิงเนี่ยเราก็ไปบังคับลิงให้ทำตามที่เราต้องการนะบอกลิงยาซนนะต้องนั่งนิ่งๆนะพอไม่นิ่งก็ไปอยู่ในกรงนะไม่เชื่อก็ไปอยู่ในกรงอันนี้ก็คือการไปบังคับลิงเอาไว้เพราะนั้นลิงมันก็ไม่ได้เชื่องตามธรรมชาติก็คือมันมันเชื่อเพราะมันถูกบังคับนั่นเองนะ แต่วิธีการที่จะเลี้ยงลิงให้เชื่องตันธรรมชาติก็คือปล่อยเขาอเขาจะซุกซนยังไงก็ปล่อยเขาไปนะแต่เราก็ให้เขาเชื่องโดยธรรมชาติของเขาเองน ะ, ะเราก็มีการวิธีการหลอกลอๆๆ่อต่างๆเขาเชื่องโดยธรรมชาติเองก็คือเมื่อจิตเราเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปเพง่งไเขาเชื่องหรอกนะเพราะก็เขาไม่เชื่องหรอกเขาก็ไม่ไม่เที่ยงเขาอยู่แล้วล่ ะ, อ, ะอย่างบางคนเก็บรมเนี่ยโหจิต ด, ดีมากเลยนะเมีความสงบนะ มีความรู้สึกตัวตลอดเลยนะอันนั้นบางทีเกิดจากการไปเพ่งเอาไว้นะไม่ใช่ของจริงนะพอออกมาพูดคุยว่ามันก็หลุดหายไปหมดเลยนะไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงก็คือมันรู้แล้วมันก็หลงรู้แล้วก็หลงก็ไม่เป็นไรเราทำอาชาติก่งจิกก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มันอ่ารู้แล้วก็หลงบ่อยๆเท่านั้นเองนะอ่ความรู้ให้มันถี่ขึ้นเรื่อยๆก็คือมีตัวรู้เนี่ยมากขึ้นพอตัวรู้มากขึ้นเนี่ยสติมันก็มากขึ้นตามไปด้วยเนี่ย จิตมันก็จะได้ไวไม่จะตื่นนะเพราะจิตของเราก็เริ่มมีธานรู้ก็คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือความเป็นพุทธะอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องปลุกเขาปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาวิธีการปลุกก็คือให้เขารู้แล้วก็หลงรู้แล้วก็หลงบ่อยๆนั่นเองนะมันจะเป็นความถี่ในการตื่นของจิตนะเป็นความตื่นของความตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะจากการที่มันรู้แล้วก็หลงตามธรรมชาตินั่นเองนะมันจะได้รู้ว่าจิตมันมีสติโดยธรรมชาติของมันเองไม่ใช่เราไปบังคับ ไปคอยประคองเอาไว้นะ่ะอันนั้นก็ไม่อของจริงนะเพราะฉะนั้นให้จิตเนี่ยเป็นไปตามความเป็นจริงก็คือนะให้มันตื่นเองโดยธรรมชาตินั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสติตัวจริงจริงนะพอมันอย่างเนี้ยพะจิตมันมีตัวรู้เกิดขึ้นบ่อยแล้วนะจิตมันจะตื่นบ่อยๆยแล้วเนะี่ยจิตก็มีกําลังนะมีกําลังไปรู้ในสิ่งต่างๆที่ละเอียดขึ้นนะ <c oughs> ความที่จิตละเอียดเนี่ยมันจะไปเห็นความคิดต่างๆ ได้ชัดเจนนะเราเห็นความคิดแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาหยุดคิดก็ได้หรือไม่หยุดคิดก็ได้ก็อยู่ที่เรานะเราเมื่อเราเห็นความคิดปุ๊บ <S 1> <S 1> แค่เรารู้ทันจริงๆมันก็หยุดอยู่แล้วแหละนะแต่ถ้ามันไม่หยุดก็ไม่เป็นไรนะเราเราก็ถ้ายังไม่ชำนาญก็กลับมาที่ฐานกายใหม่มารู้การเคลื่อนไหวของฐานกายนะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดคุ้แขนเหยียดแขนต่างๆเราเนี่ยพเรากลับมารูฐานกายปุ๊บความคิดก็ดับไปเองนะ เพรความคิดกับตัวรู้เนี่ยมันคนละตัวกันมันเริ่กมันหลงกับตัวรู้มันทํางานร่วมกันไม่ได้นะเพราะจิตมันทํางานแต่ละขณะนะเมื่อจิตมันรู้มันก็ไม่หลงเมื่อมันหลงมันก็ไม่รู้นะเพะจิตมันรู้ปั๊บความหลงมันก็หายไปนั่นเองนะรู้อะไรก็คือกลับมารู้ที่ฐานกายนั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าเราอาศัยฐานกายเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเรามีความชํานาญแล้วก็ไม่เป็นไรนะ เราไม่ต้องกลับมาฐานกายก็ได้แค่มันรู้มันก็มันก็ดับไปแล้วนะเพราะจิตมันชํานาญแล้วแหละมันรู้นะคือจิตมันมีตัวรู้โดยธรรมชาติของมันปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าไบเนเจอร์ของจิตปุ๊บเนี่ยคือตัวรู้โดยธรรมชาติอย่างที่เมื่อกี้บอกมาแล้วคือจิตมันเชื่องแล้วเนี่ยเมื่อมันรู้ปั๊บเนี่ยตัวหลงก็หลุดไปทันทีเหมือนกันนะเพราะจิตมันเนี่ยมีความชํานาญในการที่จะรู้โดยธรรมชาติของมันเองแล้วเนีใช่ไหมเพราะอย่างที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่า เมือม่อเมื่อเราทําจนเรียกว่าจิตมันทํางานโดยอตนมัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับมาสู่ฐานกายก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะจิตมันก็ทํางานกับมันได้เองแล้วแต่ใหม่ๆก็ต้องมีฐานกายให้เป็นพื้นฐานที่ดีก่อนนะเหมือนกับเราเราจะสร้างตึกสูงเนี่ยอตึกร้อยชั้นเนี่ยถ้าพื้นฐานของตึกไม่ดีนะคือเสาเข็มเนี่ยไม่แน่นนะไม่ลึกพอเนี่ยตึกก็พังทลายลงมาได้นะเพราะว่าวิธีการของหลงพ่อเทียนก็คือเราต้องสร้างพื้นฐานของจิตนะ พื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยก็คือเสาเข็มเนี่ยให้มันลึกให้มันแข็งแรงให้มันมั่นคงเพียงพอก่อนก็คือมาอยู่ฐานกายให้ได้ก่อนนั่นเองนะอยู่ฐานกายจนมีความชํานาญในในเรื่องของกายนะกายเคลื่อนไหวขยับนิดนึงแล้วก็รู้ทันน ะ, ะรู้เท่าทันของอาการกิริยาของกายต่างๆทั้งวันนะอาจารย์ไปสายเคยถามหลวงม่อเทียมมาว่าจะปฏิบัติเวลาไหนบ้างครับ หลวงมาเทียบอกว่าให้ปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะก็คือปฏิบัติตั้งแต่เช้าที่เราตื่นจนถึงเข้านอนก็คือปฏิบัติทั้งวันนั่นเองไม่ได้มีเวลานี่นี่คือเวลาปฏิบัตินี่คือเวลาพักไม่ใช่นะเพราะงั้นกายปฏิบัตินี่คือปฏิบัติทั้งวันนะยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเวลามากกว่าที่เราจะมาสร้างยังบาหรือเดินจงกรมในการบาจริงๆซะอีกนะถ้าเราทําได้อย่างนี้ทั้งวันแล้วเนี่ย มันจะมีการต่อเนื่องกันทั้งวันเขาเรียกว่าต่อเนื่องลูกโซ่จริงๆทั้งวันนะแต่อย่างที่ว่าแล้วก็ไม่ต้องไปประคองไว้แต่ให้มันหลงบ้างรู้บ้างเนี่ยทั้งวันนะก็ใส่อยู่กับฐานกายนี่แหละมันจะได้มีความเข้มแข็งสร้างตึกเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานให้นั่นก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับฐานกายมันก็จะนน่นขึ้นไปเองนะมันจะเริ่มเออเข้าใจแล้วมีการขยับเคลื่อนไหวก็รู้เท่าทันนะโดยพอาการทานอาหารนะ การทานอาหารเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีสติได้ดีมากนะเวลาเราจะตักอาหารนะเราจะตักกับข้าวเนี่ยสมมติมีกับข้าวสามอย่างเนี่ยแล้วก็รู้ทันเออเราอยากจะตักอะไรนะอยากจะตักอะไรก็รู้ทันก่อนในความอยากแล้วเราค่อยตักนะพอตักแล้วนําเข้ามาใส่ปากปุ๊บเนี่ยก็ต้องวางช้อนก่อนนะวางช้อนก่อน แล้วก็ให้ดูความอยากเคีย้ยวนะอย่าเพิ่งไปเคี้ยวนะให้เห็นความอยากก่อนแล้วค่อยเคี้ยวนะขณะเราเคี้ยวเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันการเคลียร์การเคี้ยวนั่นนะรู้การเคลื่อนไหวของปากของฟันรู้สึกตัวในขณะเคี้ยวให้ชัดๆเนะียเคี้ยวก็เคียเค้ยวให้นานๆนะไม่ต้องไม่ต้องรีบเกินเคี้ยวให้นานๆจนมันรู้ว่าเราอยากจเกินก่อนนะ รู้ว่ามันอยากจะกลืนแล้วค่อยกลืนนะให้รู้ทันความอยากนี้เป็นทุกทุกครั้งก่อนไม่ใช่กลืนไปอจนมัติเลยนะั่นเขาเรียกว่าหลงไปนะหลงไปเหมือนกันนะเพราะมันไม่รู้ตัวว่ากำลังกลืนมันก็หลงแล้วเนี่ยเพอเรารู้ว่าเราอยากจะกลืนเนี่ยเราก็ค่อยกลืนพอกลืนไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีสติแล้วแหะพอเราตักอาหารคําใหม่มันจะรู้สึกตัวเลยขณะทเรากำลังตักนะมันก็เลยเห็นความอยากขึ้นมาได้อีกนะเห็นการเคลื่อนไหวอ ของการที่เราจะไปตักได้ครั้งหนึ่งมันก็เข้าสู่วงจรอย่างเก่าอีกครั้งหนึ่งเออเห็นความอยากเคี้ยวเห็นความอยากกลืนรู้สึกตัวต่างมันจะชัดในตรงนี้นะเนี่ยเพราะว่าคนเราจะหลงในการทานอาหารในยเยอะที่สุดเลยเพราะว่าอาหารมาอร่อยพออร่อยก็มันลืมตัวหมดเลยก็เรียกว่าลืมเนื้อลืมตัวหมดเลยนะเพราะต้องรู้แต่ละขนาแต่ละขณะให้ชัดนะแล้วอาหารเนี่ยอร่อยแล้วก็ไม่ต้องไม่รู้ว่าข้ออร่อยหรอก หรือว่าไม่อร่อยรู้ว่าเราพอใจหรือไม่พอใจเอออาหารอร่อยเรามีความพอใจก็รู้เท่าทันความพอใจของเราหรือไม่อร่อยก็รู้เท่าทันความไม่พอใจอเราที่เกิดขึ้นนี่มันก็จะต่อเนื่องกันไปทั้งวันก็นไปได้เองนะคราวนี้ตอนเช้าเวลาเราตื่นนะเราตื่นเราอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นมานะให้เรารู้สึกตัวก่อนแล้วก็ค่อยลุกนะนอนอยู่เฉยเฉยก่อนนะ ให้มันรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวแล้วก็ขยับเคลื่อนไหวนิดนหน่อยหก็ได้เนี่ยขยับแขนขยับขามารู้สึกตัวปั๊บแล้วขยับลุกขึ้นมานะพอรู้พอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยไปล้างหน้าแปรงฟันพับผ้าหม่มอ่ามันก็รู้สึกตัวมันได้เองนะอันนี้ก็คือมันจะต้องเริ่มต้นแต่ตอนเช้าให้ได้เนะี่ยพอเริ่มต้นตอนเช้าเมื่อต่อเนื่องไปทั้งวันได้เองอยู่แล้วเนะี่ยเดินไปบินทบาทโอ้รู้สึกตัวได้นะทุกอย่างมันทําได้หมดเลยนะมันดีกว่าอยู่ในอ่ายก มือสร้างยังบาส14สิยังบาสเลยได้ยงกลมในการเป็นบาสจริงๆซะอีกนะเพราะมันเป็นชีพประจําวันของเราจริงๆนะมันเป็นลักษณะที่ว่าเเราปรับเข้ากับชีพประจํามันได้แล้วอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตั้งใจทํามันก็ทํามันได้เนี่ยอันนี้ก็คือของจริงนะของจริงก็คืออยู่ตรงนี้นะอีกหน่อยมันก็จะไปรู้ในสิ่งที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะจากของหยาบไปรู้ละเอียดเช่นกระพริบตาเนี่ยมันก็รู้เท่าทันได้หรืออาปากพูดมันก็รู้เท่าทันได้เนี่ย มันก็จะเป็นนั้นมันก็จะละเอียดละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆนะ่อจนรู้เท่าทันจิตของเรามีการเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกนะกระเพื่มอะไรมันก็รู้ทันไปหมดน ะ, อ, ะอีกหน่อยนะมันก็จะค่อยๆที่จะกลายมาเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นเหมือนที่หลวงพ่อําเขียนบอกนั่นแหละพอเราเรารู้เท่าทันความคิดได้บ่อยๆขึ้นปุ๊บเนะี่ยจากเมื่อก่อนที่เรา เ, าเป็นคนขี้งุนงิดนะใครมานินทาเราใครมาว่าเรา หรือแสดงอาการให้เราไม่พอใจเมื่อก่อนเราจะงุนหงิด้เร็วแต่พอเราเริ่มรู้ทันแล้วเออขณะนี้เราลังงุนหงิดแล้วนะพอเรารู้ทันแบบนี้ปุ๊บเราจะกลายเป็นผู้ดูความงุนหงิดไปทันทีเลยนะเราจะไม่กลายเป็นผู้หมุนหงิดไปหรอกนะมันจะกลายเป็นผู้ดู <S <S ผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นไปนะอันนี้มันแสดงเร า, <S <S เ, ราเราเริ่มจะเข้าสู่ธรรมะแล้วนะมันจะเห็นรูปเห็นนามก็ในตรงนี้นั่นแหะกลายเป็นผู้ดูก็คือดูอาการงุนหงิด อาการรูปขงเงี้ก็คือความเป็นนามนั่นเองนะกลับมาเห็นนามนะเห็นรูปที่กําลังยังหงุดหงิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นได้อ่ต่อเนื่องจากการที่เรามีสติมากขึ้นนะพอเราเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นนะมันก็ไม่เป็นผู้ทุกข์นะกลายเป็นผู้เห็นความทุกข์ไปความทุกข์ก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะต่อไปมันกลายเป็นผู้เห็นตลอดนะมันที่หลวงพ่อเขาเขียนในพูดบ่อยๆว่าเห็นไม่เป็นนะ อีกหน่อยเราก็เห็นเราไม่เป็นนะแล้วมันจะทุกข์ได้อย่างไรนะมันเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปทุกข์กับเขานะี่ยเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าสามปีนี่แหละท่านก็เอาเอาศีษะไปประกันเลยว่าความทุกข์จะน้อยลงก็คือตรงนี้นั่นเองนะก็คือเราไปเป็นผู้ทุกข์แล้วเราเป็นผู้เห็นความทุกข์นะีความทุกข์ก็น้อยไปเรื่อยๆ เ, เ, เลยหลวงพ่อชาท่านก็บอกนะหลวงพ่อชาบอกว่า อสมาธิเนี่ยเราไม่เอามากหรอกแต่สติต้องมีตลอดเวลานะแล้วก็หลวงพ่อชานี่ก็เคยเทศเไว้บอกว่ามีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฆ่ากิเลสได้แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพ่อชาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่ากิเลสหรอกถ้าหาพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสได้แล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่มีกิเลสกันแล้วเด็ดเพราะท่านฆ่าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้ารู้ว่ากิเลสมันไม่ดีนะกิเลสมันนาความทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยเขี่ยมันทิ้งนะ ถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีท่านก็ไม่เอาท่านก็เคีอยวไปแต่คนที่งโง่ก็ไปรับเอาไว้นะคนที่งโง่ก็ไปเออรับความทุกข์เข้ามารับกิเลสเข้ามานะอันนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่รู้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าความทุกข์มันไม่ดีนะกิเลสมันไม่ดีก็เคี่ยวไปแค่นั้นเองนะการเคียวก็คือไม่ได้ไปคิดต่อรู้เฉยๆมันก็ดับไปแล้วเนะี่ย อันนี้มันก็ตรงกับที่บอกเลยว่าเออพระเจ้ารู้ว่ามันกิเลสมันไม่ดีก็เคี่ยวมันออกนะการเคี่ยวของพวกเราก็คือไม่ต้องไปคิดต่อเรารู้ว่าสิ่งไหนนําความทุกข์มาให้เราเช่นความโกรธความโลภความหลงความงุนหงิดความน่าลาคาญความน้อยใจความเหงาความเครียดความกลัวความรักความชังทั้งหลายแค่เรารู้ทันรู้เฉยเฉยก็พอแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่ได้ไปคิดมันต่อนะเมื่อไม่คิดมันต่อมันก็จบแค่นั้นเอง ยกตัวอย่างเช่นคนมานินทาเรานะมาด่าเรามานินทาเราถ้าเรารู้เฉยเฉยเราไม่คิดนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจเรานะความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นความงโงิธความไม่พอใจก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปคิดอะไรนั่นเองนะอันนี้ก็เรว่ารู้เฉยเฉยมันก็มาจบในสัมผัสแรกนะเหม น, ม น, มนะมนมที่หลวงอาเทียนบอกนะ่รู้เฉยเฉยก็คือรู้ซื่อเนี่ยมันมาจบในสัมผัสแรกแล้วคือพราะได้ยินปั้มมันก็ดับไปเลยมันไม่ได้ไปคิดต่อ แต่ว่าไปคิดต่อบปุ um. ๊บเออเขาด่าเราเขาว่าเราทําไมเขามาด่าเราทําไมเขามาว่าเราอ่ไม่รู้หรือว่าเราเป็นใครเราไม่ได้ทําผิดสัหน่อยมาด่าเราได้ไงพอคิดปั๊บความโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะความไม่พอใจความหงุดหงิดเกิดมาทันทีเลยอันนี้มันเกิดจากการที่เราไม่ได้รู้เฉยๆเราไปคิดต่อนั่นเองนะเพราะวิธีการลดวันเทียงคือให้ออเจากความคิดนั่นเองนะวิธีการออเจ้าความคิดก็คือรู้เฉยๆก็พอแล้วมันก็ดับไปแล้ว แต่ถ้าราู้ยเฉยเฉไม่ได้ก็มารู้สึกตัวที่ฐานกายนี่แหละกลับมาขยับกายขยับแขนขยับขาให้รู้สึกตัวมันก็ดับไปเหมือนกันเพราะมันเปลี่ยนจากฐานจิตมาสู่ที่ฐานกายแทนนะฐานจิตเนี่ยมันต้องไวถ้ามันไม่ไวมันจะไปคิดต่อมันจะไปปรุงแต่งต่อแต่ว่าอยู่ฐานกายเนี่ยฐานกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเปลี่ยนจากฐานจิตมาอยู่ฐานกายปั๊บเนี่ยฐานกา ย, ม, ยามันจะยาบมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะพอใสยความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยความคิดมันก็ดับไปได้เหมือนกัน โทสะหรือปฏิฆะมันก็ดับไปทั้งหมดเลยนะก็ใส่ฐานกายเป็นพื้นฐานเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราต้องมีฐานกายที่ดีๆมีฐานกายที่นั่น น, นัมีเสาเข็มที่นั่นไม่ ง, งั้นตึกก็พังลงมานะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีฐานกายที่นั่นมาก่อนเราเคยรู้สึกตัวมาก่อนปั๊บเนี่ยเปียมาสู่ฐานกายก็๊มันรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวพอตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยตัวหลมก็ดับไปทันทีเหมือนกันน ะ, ะดับหายไปเลยเราก็ไม่เข้าไปในารมต่างๆเพราะว่าฐานกายเราแน่นแล้วเนี่ย แต่ถ้าใครฐานกายก็ไม่แน่นฐานจิตก็ไม่แน่นทําเล่นๆมาก่อนแบบทําแบบประมาทพลาดพลั้งมาก่อนนะพอมีอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บฐานจิตมันก็รับไม่ได้มาฐานกายฐานกายก็รับไม่ได้อีกตึกก็เลยพังทลายลงมาก็เข้าไปส่วนลมมีความโกรธทันทีเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าฐานจิตและฐานกายมันไม่แน่นนะเพราะเราต้องทําให้นั่นก่อนฐานกายก็ให้นั่นก่อนนะพอฐานกายแน่นนีดหน่อยฐานจิตมันก็นั่นเอง อารมอะไรแล้มันก็เข้ามากระทบแล้วไม่ได้หรอกกระทบแล้วก็ผ่านไปหมดนะผ่านหมดเลยนะมันกับน้าท่วมในกรุงเทพนี่แหละจริงๆมันน้ามันไม่ได้ขังหรอกนะแต่ว่าบ้านคนเนี่ยมันบางบ้านก็พื้นที่ก็ต่ําบางบ้านพื้นที่ก็สูงบ้านที่ต่ําันก็โดนน้ขาขังบ้านที่สูงก็น้ําก็ไหลไปหมดนะเพราะจิตคนเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันก็มันต่ํานะพอลมเข้ามาปุ๊บมันก็มาขังในจิตของเราเนี่ยขังนานนะบางคน โอ้กรธเป็นวันๆเลยไม่ยอมหายบางคนโกวธเป็นปีเลไกไม่ยอมหายเพราะว่าน้ํามันบ้านมันอยู่ในที่ต่ํามากเนี่ยมันก็เลยขังนานแต่ถ้าบ้านเราอยู่ในที่สูงแล้วโอ้เข้ามาปุ๊บผ่านหมดเลยนะอารมณ์มันมันเข้ามาปุ๊บมันเจอบ้านเราสูงมันผ่านได้หมดเลยนะเหมือนกับน้ำเนี่ยมันไม่ีขังหรอกไหลลงทะเลกันหมดนะเพราะเราต้องทําให้จริงเราเนี่ยมันสูงนะวิธีการให้จิตสูงคือให้มีสติอยู่เรื่อยๆนะให้มีสติในการตื่นตัวที่จะรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ต่างๆ เรารู้เท่าทานปุ๊บมันดับไปเองนะอัตโนมัติมันดับไปเลยเหมือนกับบ้านหลงสูงเนี่ยน้ำามันก็ผ่านไปหมดเลยนะมันขังไม่ได้หรอกเพราะถ้าเราจิตเราสูงพอนะอารมณ์ต่างๆเข้ามามันผ่านหมดนะรับประการใดมันผ่านเลยไม่ว่าจะร้ายแรงขนาดไหนก็ผ่านได้นะแต่ถ้าจิตเราต่ําแล้วมันขังหมดทุกอย่างนะอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเก็บมาหมดเอามาคิดโอ้ทาไมเขาทํากับเราแบบนั้นนะทำไมเขาไม่ดีกับเราเราทําดีทําไมก็ไม่ดีกับเรา แก็มาคิดหมดนะไม่ก็มีแต่ความทุกข์ในตัวเราเองคนนี้นก็ไม่ทุกข์หรอกแต่เราเนี่ยทุกข์เองนะเพราะฉะนั้นนะให้เราเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องจิตนะรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ต่างๆให้มีความไวนะมีความไวในการที่จะรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดต่างๆได้เร็วขึ้นนะแล้วก็สลัดมันออกไปนะให้สลัดให้เร็วมาลุงอยบุตรถามพระเจ้าจบอกว่าข้าพระองค์เนี่ย เป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วแก่ชราแล้วเนี่ยจะปฏิบัติธรรอย่างไรจรึงจะได้ผลเร็วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเพลินในรมต่างๆนะเมื่อเกิดในรมต่างๆขึ้นมาให้ละรมต่างๆให้เร็วเหมือนกับกระพริบตาฉันนั้นนะก็คือคําว่าไม่เพลินในรมต่างๆก็คือไม่ไปติดในรมต่างๆนั่นเองนะเมื่อมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็ให้สลัดให้ไวเหมือนกับกระพริบตาฉันนั้นก็คือให้ทิ้งเหมือนกับกระพริบตานั่นเองนะ การทิ้งก็คือการรู้เฉยๆถ้าเรารู้เฉยๆแล้วเราไม่ไปคิดต่อมันก็จบแค่นั้นมันก็ไม่ไปปรุงแต่งเป็นความคิดในลมต่างๆต่อไปนะอันนี้คือการที่มันทิ้งได้เร็วมันก็กระพริบตาฉันนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าเรารู้เฉยๆได้ไหมนะรู้ในสัมผัสแรกนั่นเองนะหูได้ยินเสียงก็จบแค่นั้นไม่ได้ไปคิดปรุงแต่งต่อเขาดา่าเราทําไมนะตาเห็นรูปก็จบแค่ที่เราเห็นไม่ได้ไปปรุงแต่งต่อโอ้คนนี้สวยนะ คนนี้หล่อนะคนนี้น่ารักนะคนนี้น่าเกียดนะอันนี้การไปปรุงแต่งต่อแล้วนะหรือเราเห็นขอทานก็เห็นขอทานก็ไม่ได้เห็นเฉยเก็ไปให้เงินเขาอีกอันนี้ก็คือไปปรุงแต่งต่อก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยเขาอันนี้คือไม่ได้รู้เฉยเฉยนะถ้ารู้เฉยมันก็จบแค่เห็นก็จบแค่รู้เฉยเนะเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยสอนต่อใหม่ว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราว่าสักแต่ว่าทราบ เมื่อนั้นท่านจะไม่มีในโลกนี้ท่านจะไม่มีในโลกหน้าท่านจะไม่มีในโลกทั้งสองนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะให้รู้เฉยๆนะก็คือสักแต่ว่านั่นเองนะอ่าเพราะคำว่าสักแต่ว่าเนี่ยอ่เราไม่ได้ไปทําอะไรกับเขาเลยนะเรารู้เฉยๆได้ยินก็ได้ยินเฉยๆเห็นก็เห็นหเฉยๆคิดก็คิดเฉยๆนะอ่าเนี่ยมันก็จบแค่นั้นเองนะเป็นสัมผัสแรกจริงๆนะไม่ปรุงแต่งต่อในสิ่ ง, งต่างๆที่เรารู้เราเห็นเราได้ยิน ไม่จบตรงนั้นและนี่คือที่สุดแห่งทุกนะข์นะเพราะในในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความเจริญในสติสมาธิปัญญาและถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยทั่วการ ท, ทุกท่านเทินเตรียมตัวการพา